ชานี้จาลณนาจานมใจได้พุธ ร, รมากรับจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติต่อยอดเพื่อให้มันจบแค่วันนี้วิชากรรมฐาน จะต้องใส่ใจนะโดวยว่าการเคลื่อนไหวรู้สึกนี้มันทำได้ตลอดเพราะเรามีกายแล้วก็มีใจมันมีอุปกรณ์การฝึกการหดหรือว่าตำราเรีย น, นยที่มันอยู่กันนื้ก็ตัวเราเราต้องศึกษ า, าจนกระทั่งมันแตกฉานกับการแจ้งประจัก ไปในจิตไปในใจของเราจริงๆที่นายมนุษอาจารย์สนใจก็ด้วยเหตุเนะคยเป็นฆราวาสญาติโยมแล้วก็ปฏิบัติธรรมมานานนะอย่างหลวงปูเทียนนี่รู้ธรรมะแต่ตอนเป็นโยมสองปีก็แปดเดือนนะเร า, คาเคยบทสอนกนันะ่นนอกจากในรูปแบบนะมโวัถวาลาม สมมันก็มีหลายรูปแบบมากอนาปานสติหรือว่าที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่สามัญญาปะปะการเคลื่อนกันไหวทางตื่นยันลับร่างกายของเราการเคลื่อนกันกไหวเราเป็นการกำหนดรู้กรรมฐานเบื้องต้นตัวจิตตัวใจของเรา มันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าทำไมเวลามันมีความรับอกขับใจความทุกข์กายทำไมมาถึงใจแล้วทำไมมันชอบคิดปรุงแต่งมากมายแล้วกันไม่อยากคิดก็คิดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ดูแลกายใจของเราได้ตลอดไปลอเวลาไม่เฉพาะที่นี่เท่านั้นอย่างเงี้ยเราก็จงง ชาเนทยสุดตอกย้ำจากการได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งกราบอราตา น, านนิมบุญครับก็กราบบูชาพระรัตนตรยัยมันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กราบคารวะ ครูบาอาจารย์หลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนและข่าวกาบนมัส ก, การหลวงพ่อกรมพระอาจารย์ทรงศินและขอโอกาสจากเพื่อนสาธรร ม, มิกที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมใน วันนี้เออเป็นโอกาสพิเศษของพวกเราที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุวโตวันนี้ก็เป็นวันที่7ถ้าเรานับเป็นวันมันเป็นวันสุดท้ายแต่การเจริญสติเนี่ย มันไม่มีวันเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีวันสุดท้ายมันมีแต่รู้สึกตัวอยู่เรื่อยไปที่เราได้ฝึกกันมาได้ผ่านกันมาเนี่ยเป็นเพียงแบบฝึกหัดแบบทดสอบที่เราได้มารู้เรื่องราวความจริงที่มันแสดงหรือมันปรากฏ ธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของวัดแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันนี้หรือในสังคมปัจจุบันนี้อาจจะเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของเมตคาแม่ชี เป็นนั้นคนที่ทำงานคนที่เป็นญาติโยมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นแต่ระยะ7วันที่เรามาอยู่เนี่ยอาตมาหรือกับผมเองก็คิดว่าพวกเราคงจะได้เห็นนะว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราหลงลืมไปหรือทอดทิ้งไปนั่นก็คือจิตใจของเรานั่นเอง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราในแต่ละแต่ละขณะในแต่ละวันมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ใส่ใจกับเรื่องของจิตใจนี้เองในโลกปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ชักชวนให้เราไปสนใจก็คือเรื่องของข้างนอก นะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินเรื่องของสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นแต่ก็จำเป็นแต่มันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะหลงลืมลก็คือจิตใจของเรานั่นเองเอที่หลงลืมนั้นก็อาจจะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไม่รู้ว่ามันมี เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีตัวตนนะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่มันก็มาเคาะประตูใจให้เราอยู่เสมอนะด้วยความรู้สึกบางครั้งบางเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกเบ้าเวเรารู้สึกเครียดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันเป็นอาการที่มันมาแสดงให้เราได้ดูแล้วมันก็มาบอกว่านี่นะยังมีสิ่งนี้อยู่นะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเราที่เราควรจะรู้จักและเราควรที่จะเข้าไปเรียนรู้ในตัวของเรานั้นนอกจากเราจะมีตาสองตาคือตาเนื้อแล้ว มันยังมีตาในก็คือใจของเราการที่เรามาเจริญสติก็คือการมาปลุกตาในก็คือใจให้มันตื่นให้มันตื่นขึ้นให้หันกลับมาดูเข้าไปในตัวเราเข้าไปเรียนรู้ปรากฏการณ์หรืออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ย เป็นอาการที่เขาแสดงของเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเราไม่ได้สนใจเนี่ยเราบางทีเราก็หลงอยู่ไปเข้าไปกับในอาการต่างๆและโดยส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกอันหนึ่งก็คือรักสุขรักสุขเกลียดทุกข์นะเพราะสุขนี่รู้สึกสบายเกลียดทุกข์เพราะรู้สึกมันหนักนะมันมันไม่อยากเอา แต่ธรรมชาติของเขาแสดงตัวของเขาอยู่เรื่อยนะ่จะสุขจะทุกข์แต่จะสังเกตถ้าเราเรียนรู้เข้าไปนะเราก็จะเห็นว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันไม่จีรังยั่งยืนมันแปรเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากมีสุขมีทุกข์แล้วมันก็ยังมีที่ไม่สุขไม่ทุกข์นะเหนือสุขเหนือทุกข์ก็คือความเป็นปกติของใจ ถ้าเรามาเรียนรู้พวกนี้เนี่ยเราก็จะได้ที่มั่นหรือฐานหรืออาจจะเรียกว่าบ้านที่แท้จริงนะก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองการที่เราไม่ได้มาใส่ใจกับเรื่องใจนี้เองบางทีเราก็เหมือนเป็นเด็กน้อยที่เดินละเห่เล่ย่อนไปในทางเปลี่ยวเราไม่มีที่อยู่เราเหมือนกับเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่มีหลักมีแหล่งไม่มีบ้านที่อยู่แล้วเราก็รู้สึกว้าวเวบ้านที่มีอยู่ข้างนอกนั้นเป็นเพียงที่อยู่อาศัยทางด้านร่างกายแต่บ้านที่แท้จริงก็คือความเป็นปกติของใจเนี่ยเป็นที่พักพิงที่จะทําให้เรามีความอบอุ่นที่จะทําให้เรามีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเป็นที่ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจเท่านั้นเองการที่เราจะมากลับสู่บ้านที่แท้จริงได้นั้นเราจะเป็นจะต้องเปิดตาในหรือใจของเราตาในก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสกตโตนั้นระยะเจวันเราได้ทำสิ่งที่เรียกว่า การเจริญสติหรือการภาวนาหรือการพัฒนาอันนี้คือคำเดียวกันนะก็คือการที่เรามาปลุกตาในให้ตื่นขึ้นนะก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองในระยะที่ผ่านมาแต่ละคนก็คงจะได้ประสบประการนะจากการที่เราได้เจริญสตินะด้วยการยกมือ14จังหวะนะการเดินจงกรม นะซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ง่ายในการที่เราจะเริ่มต้นนะสาเหตที่มันง่ายก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเนื้อแล้วก็สามารถเห็นได้ด้วยตาในก็คือใจวิธีการที่เราจะมาพัฒนาสตินั้นในประเทศไทย หรือในโลกเนะี่ยมีมีมากมายนะแต่วิธีการที่ที่เราได้มาฝึกเนี่ยเป็นวิธีการที่เราจะสัมผัสนะกับความรู้สึกตั้งแต่เบื้องต้นก็คือการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าเป็นเอ่อการสัมผัสที่หยาบที่สุดหนะยาบคำว่าหยาบในที่นี้หมายถึงว่ามันมีมีดุนมีก้อนที่ชัดเจน แต่ก่อนเนี่ยตัวกระผมเนียทำมาเองได้เคยฝึกอนาปัญสตินะก็คือใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดนะซึ่งวิธีการนั้นเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะมันมันเบานะมันก็มีโอกาสที่เราอาจจะหลงได้ง่ายนะ น, นีอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองนะแต่คนอื่นอาจจะทำได้ดีก็ได้การที่เรามา สร้างจังหวะก็ดีเดินชมกลมก็ดีนั้นนะเป็นการปลุกตาในก็คือใจให้เกิดขึ้นนะก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะความรู้สึกตัวเนี่ยมีอยู่แล้วในในในพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็เพียงแค่ใช้ในการงานในชีวิตประจำวันซนะึ่งก็พอจะใช้ได้แต่กับความคิดก็ดีกับอารมณ์ก็ดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่มีตัวตนและมันละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาคู่ปรับนะก็คือความรู้สึกตัวที่มีอยู่นั่นแหละแต่เราพัฒนาให้มันมีความฉับไวขึ้นละเอียดอ่อนขึ้นนะเพื่อที่จะให้มันเท่าทันกับความคิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเพราะการที่เราหลงหลงไปกับความคิดนะความคิดเนี่ยเป็นนักสร้าง เป็นนักสร้างสร้างภพสร้างชาติาสร้างความสุขความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดเจนฉับไวเราก็จะรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้การที่เรามานั่งสร้างจังหวะคดีเดินยงกุมก็ดีเนี่ยเราก็จะพบกับอารมณ์ต่างๆ ความนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์หรือบางทีเราเรียกว่าเป็นอาการของกายก็ตามของใจก็ตามเริ่มกันตั้งแต่ง่ายๆก็คืออาการปวดอาการเมื่อยนะเมื่อเรานั่งนานๆนะความร้อนความเย็นอนะ่นี่ก็คือเป็นอาการที่มันแสดงออกมาเราก็เรียนรู้มัน นะไม่ต้องไปปฏิเสธมันเนี่ยคือธรรมะที่แสดงให้เรานะมันก็จะมีอาการทางทางใจที่แสดงออกมานะที่เราเห็นกันได้ง่ายๆนะก็คือความง่วงเหงาหานอนความคิดฟุ้งซ่านนะความไม่สะดวกไม่สะดวกในเรื่องกายในเรื่องใจรู้สึกอึดอัดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่แสดงให้เราดู เพราะนั้นการเรียนธรรมะจริงๆก็มาเรียนจากของจริงตรงนี้เพราะนั้นการที่เราม า, านั่งสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มาดูเรื่องพวกนี้มาดูเรื่องพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็สติเมื่อสติมันตื่นตัวแล้วมันจะปล่อยวางเองมันจะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปยึดถือได้ เราไม่สามารถจะบบังคับบัญชาได้ให้เป็นเป็นอย่างใจเราได้นี่คือความจริงที่มันแสดงถ้าเรายังไปยึดไปถือไปจับมันเอาไว้เราก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักรู้สึกแน่นคนเราเมื่อเจอของหนักหนักเราก็ต้องวางถ้าเจอของอึดอัดมันก็ต้องปล่อยเพราะนั้นการปล่อยการวางเนี่ยมันไม่ใช่นึกคิดหรือฟังเขามาว่าให้ปล่อยวาง แต่ก่อนตัวกับผมเรื่องธมาเองไปอ่านหนังสือธรรมะครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกให้ปล่อยวางปล่อยวางแล้วปล่อยไม่ได้เพราะเราไป น, นึกไปคิดเอาแต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันเข้าไปสัมผัสนะกับอาการที่มันหนักมันแน่นมันอึดอัดมันก็ปล่อยวางเองโดยธรรมชาตินะก็คือพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกตัวมันทํางานแนละ้ ทำงานได้ดีแล้วมันก็ชัดเจนแล้วมันก็ปล่อยวางทีนี้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่ชัดเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราแล้วก็ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มันมีเราก็จะเห็นว่าปรากฏการณ์ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงข้างนอกนของดินฟ้าอากาศของสภาพอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่แตกต่างจากความเปลี่ยนแปลงภายในความรู้สึกของเราที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่นิ่งและมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราด้วยเราจะบังคับให้ฝนมันไม่ตกหรืออยากจะให้ฝนมันตกก็ไม่ได้เขาจะตกก็ตกเหมือนใจเราเหมือนกันเราอยากจะมันมีสุขตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้หรือพอมีเวลาทุกเกิดทุกขึ้นมาเราอยากจะให้มันหายไปมันก็หายไม่ได้เพียงแต่ว่าให้เรามีความรู้สึกตัว เรียนรู้กับอาการเหล่านี้แล้วมันจะปล่อยวางไปเอ ง, ง น, นี้ก็คือสิ่งที่เราได้จากประสบาการณ์ของการเจริญสติทีนี้เมื่อเราได้ฝึกกันในรูปแบบแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะติดตัวไปนะเมื่อเราออกจากที่เดินจงกรมก็ตามที่นั่งสร้างจังหวะก็ตามเนี่ย ถ้าเราสังเกตดีๆเราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยความรู้สึกตัวเหล่านี้มันจะติดไปคำว่าติดในที่นี้หมายถึง ม, มันเกิดความเคยชินความเคยชินที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมารู้เนื้อรู้ตัวจะเดินไปห้องน้ำจะไปทานข้าวหรจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี้ย ม, มันจะเกิดนิสัยนะเกิดความเคยชินเพราะฉะนั้นที่เราต้องมาทำให้มันซ้ำๆนะบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อนะทำไมมาทาอะไรซ้ำๆซากๆอันนี้ก็คือสร้างนิสัยเป็นนิสัยแห่งสติเป็นนิสัยแห่นนงความรู้สึกตัวนิสัยตรงนี้เนี่ยนะในระยะเวจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงจะไดเ้เกิดนิสัยใหม่นี้ขึ้นมานะเหมือนกับเป็นชีวิตใหม่ นะที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวกับผมนี่ทํามเองในช่วงที่เป็นค า, ารวาสนะก็ได้มาฝึกนะวิธีนี้ก็เอาไปใช้ได้นะทำทำการทำงานด้วยความรู้สึกตัวใช้ชีวิตประจำวันด้วยความรู้สึกตัวแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าชีวิตค า, ารวาสนั้นเป็นชีวิตที่มันมี สิ่งที่เราจะต้องทําเยอะแยนะมากมายไม่เหมือนกับชีวิตของอบรรพชิตหรือของพระเพราะะฉนั้นก็มีนะมีโอกาสที่เราจะหลงจะลืมสติไปบ้างความรู้สึกตัวเผลอภัยไปบ้างมีแน่นอนเพราะะฉนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือฝึกในรูปแบบเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราคือจะเป็นก่อนนอนก็ดีตื่นนอนก็ดี หรือเรามีเวลาว่างจัดสรรเวลาให้กับตัวเองกับเรื่องพวกนี้ในวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้เวลากับเรื่องพวกนี้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงไม่ได้หรือหรืออย่างวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปเที่ยวนะเราก็มาจัดสรรเวลาให้กับเรื่องพวกนี้อาจจะจัดเป็นวันแห่งสตินะอย่างเช่นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะแทนที่เราจะไปเที่ยวเร า, าก็เออมา ตั้งตั้งเวลาไว้ให้กับตัวเองนะว่าจะทำอะไรด้วยความรู้สึกตัวนะหรือทำด้วยรูปแบบนะจะเป็น1ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามนะนี้ก็คือมันจะช่วยทำให้สิ่งที่เราได้ฝึกกันไป7วันนี้มันมีความต่อเนื่องนะแทนที่เราจะทำา7วันแล้วก็อ่ะช่างมันกลับไปก็ไปใช้ชีวิตตามปกติธรรมดานะ สติเนี่ยถ้าไม่พัฒนาหรือ ย, ยังไม่ถึงที่สุดนะคำว่าที่สุดในที่นี้หมายถึงว่าเป็นสติโดยอัตโนมัติเนี่ยอย่าได้ประมาทตัวกระผมด้วยทํามาเองประมาทมาแล้วช่วงแรกเนี่ยเข้าใจว่าเราเรารู้นะเรารู้ว่าไอความรู้สึกตัวเป็นยังไง ร, รูปนามเป็นอย่างไรแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตโดยโดยประมาทคำว่าประมาทในที่นี้ก็คือไม่ได้ทาไม่ได้ทาในรูปแบบ ก็คิดว่าเราใช้ได้แล้วนะทีนี้รู้ได้ยังไงว่ามันยังใช้ไม่ได้เมื่อเราไปประสบกับเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนะก็มีอารมณ์โกรธบ้างหงุดหงิดบ้างแล้วนะอึดอัดบ้างแล้วนะก็มารู้สึกโอ้สิ่งที่เราได้ฝึกมานี่มันยังไม่พอนะจาเป็นที่เราจะต้องกลับมาฝึกต่อนะนิสัยที่เราได้ไปจากวัดเนี่ย ก็เพียงเล็กน้อยนะตอนหลังก็มาดูโอเล็กน้อยเท่านั้นเองตอนแรกนี่ฝึกไปหมายแค่วิเศษเรานี่เข้าใจแล้วเราบรรลุธรรมแล้วนะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับไปเนี่ยนะเราก็จัดสรรเวลาให้กับความรู้สึกตัวที่เป็นในรูปแบบนอกรูปแบบก็คือในการงานในชีวิตประจาวันเนี่ย ก็พยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปคำว่าใส่ในที่ใหม่คือว่าทำอะไรเนี่ยอาจจะช้าลงนิดนึงแต่ไม่ใช่ช้ามากนะช้าลงนิดนึงใส่ความรู้สึกมีความรู้สึกตัวกับสิ่งที่เราทำนะจะเป็นตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนพอตื่นนอนขึ้นมาเราก็ยังไม่ต้องลุกนะเราก็ยังนอนหลับตากระดิก นิ้วมือเล่นคดีหรือว่าจะสุดลมหายใจให้มีความรู้สึกตัวนะก่อนที่เราจะลุกนะมีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหวนะแล้วก็เก็บผ้าห่มที่นอนให้เรียบร้อยนะแล้วก็ไปแปลงฟันล้างหน้าล้างตาให้มีความรู้สึกตัวกับสิ่งเหล่านี้นะกินข้าวนะก็ให้มีความรู้สึกตัวแต่ว่าไม่ใช่ ไม่ใชกินช้าเคี้ยวช้าก็ต้องดูสถานการณ์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้เรามีความรู้สึกตัวในกิจกิ จ, จวัตรประจำวันนะไปทำการทำงานใช้ความคิดนะแล้วก็คอยสังเกตดูตัวเราเองนะอยู่ตลอดเวลานะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสานต่อนะสิ่งที่เราได้ได้ฝึกกันมาในระยะเจ็ดวัน นะนะพอทําการทํางานกับที่พักนะก็มีเวลาก่อนนอนนะั่งสร้างจังหวะถ้าเป็นไปได้เราก็ถ้าเรามีห้องส่วนตัวเนี่ยนะเราก็ทำยังไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาเห็นเดี๋ยวเขาจะเขาจะไม่เข้าใจว่าเรามานั่งทาอะไรนะถ้านั่งสร้างจังหวะเนี่ยเราก็ทำทำในที่ส่วนตัวของเราก่นะอนหลับก่อนนอน หรือบางทีเนี่ยในขณะที่เรานอนเนี่ยเราก็สร้างจังหวะในถ้านอนก็ได้นะหรือบางทีเราก็ใช้ลมหายใจก็ได้จริงๆเนี่ยการฝึกโดยวิธีเนี้ยเมื่อทำให้ชัดเนี่ยความรู้สึกตัวมันชัดเนี่ยลมหายใจมันก็จะชัดด้วยเพราะนั้นอาานาปาณสติเตมาเคยฝึกมาเนี่ยมันก็มาใช้ได้นะก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนั่นก็ถือว่าเป็นกายอย่างหนึ่งไม่งัน เป็นกายที่มันมันละเอียดมันเป็นกายในข้างในตัวเร า, น, านี้ก็ก็สามารถจะใช้ได้นอกจากเราจะทําด้วยตัวของเราเองแล้วนะเป็นไปได้เนี่ยเราอยู่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะเรามีการยาณมิตรแล้นะพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้บ้างนะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเราเองไม่หลงลืมไป พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในสิ่งที่เราได้ได้ประสบพบเห็นนี่ก็เป็นกำลังใจบางทีเราไปอยู่ในสังคมเราไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยเขาคุยแต่เรื่องเรื่องอะไรเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องสังคมเรื่องการเมืองไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยบางทีมันก็ทาให้เราลืมลืมเรื่องพวกนี้ไป เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะฝึกด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยมีกาลยาณมิตรนี่มีเพื่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงลืมเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จัดสรรเวลาอาจจะมีเวลาพักลอนอะไรอย่างเงี้ยนะกลับกลับมาที่ป่าสุกโตก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆที่ก็มีการฝึกเรื่องพวกนี้ แล้วก็คือให้เวลากับเรื่องพวกนี้บางทีเราก็ต้องมาใัยบรรยากาศนิด น, นึงเพราะว่าคนใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมช่วยอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวผมนี่ทามาเองเนี่ยได้ได้ผ่านประสบาการณ์เหล่านี้นะตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะมาที่ป่าสกุโตบ้างไปวัดสนามในบ้างไปวัดโมกบ้าง นะตอนนั้นหลวงพ่อเทียนยังอยู่นะก็ไปกราบท่านไปรับชใช้ท่านไปฝึกนะให้ท่านได้ชีแนะนะให้ท่านอบรมด้วยบางทีก็มาป่าสุกโตก็หลวงพ่อคำเขียนนะพวกเราเนี่โชคดีนะสมัยนี้ยังมีพระอาจารย์ทรงศิลนะคอยมาดูแลพวกเราสมัยก่อนเนี่ยอาตมาเองมาเนี่ยไม่มีหรอกหลวนะงพ่อจะมาดูแลเราอย่างนี้ ส่วนใหญ่หลวงพ่อท่านจะพูดธรรมะให้ฟังตอนเช้าตอนเย็นตอนนั้นท่านแข็งแรงท่านพูดทั้งเช้าทั้งเย็นนะแล้วเราก็ไปปฏิบัตินะแล้วก็บังครั้งบางโอกาสตอนนั้นท่านแข็งแรงท่านก็จะเดินไปที่กุฏิเลยนะไปถามเลยเป็นยังไงปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะท่านก็แนะนำแล้วก็ให้เราแก้ไขนะตอนนั้นเรียกว่าเราต้องทต้องต้อ ง, ต, องต้องช่วยตัวเองมาก ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยคนที่มาเนี่ยก็คือคนที่มีศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาฝึกกันจริงๆแล้วต้องช่วยตัวเองสมัยก่อนคนไม่ค่อยมีอะ่ะมีน้อยคนที่มาแบบไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีอินทรีย์แก่กล้าเลยบางทีมาก็อยู่ไม่ได้อะ่ะเพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้มาดูแลเราตลอดทั้งวันไม่เหมือนกับที่อาจารย์ธงศิล์นั้นดูแล พวกเราในช่วงแรกนะทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะคนที่ไม่มีอินซีแก่กล้าพอเนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกอยู่วันสองวันก็กลับแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเลยอยู่ที่นี่มันมันมีแต่ต้นไม้อ่ะมันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะมาล่อให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นอะไรมันไม่มีเลยอ่ะมันมีแต่ต้นไม้เฉยแต่คนที่มีอินซีหน่อยก็จะทราบ แล้วก็จะสัมผัสกับความสงบนะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเองได้ง่ายได้ชัดเจนขึ้นเพราะนั้นคนใหม่ๆเนี่ยก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมอาศักายการยามิตรนะทำให้อบอุ่นใจนะมีกำลังใจนะในการที่จะ เ, เรียนรู้เรื่องของสตินะเรื่องของจิตใจนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็น มหากุสลเลยนะที่เรามากันเวันเนี่ยเป็นบุญใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้เขาพูดกันถึงบุญใหญ่เนี่ยเดือนหน้าวันเสาร์ห้าเดือนห้าปีห้าห้าเขาจะมีการทำบุญใหญ่กันนะสะดาะเคราะห์อะไรต่างๆซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของที่เขาทำตา่ตางๆกันมะาซึ่งตัวกระผมเรียกแตมาเองไม่คิดว่าเป็นบุญใหญ่นะบุญนั้น <c oughs> บางทีเขาทำให้เราหลงมากกว่า แต่ที่เรามาทำกันอยู่7วันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆทำไมจึงเป็นบุญใหญ่ก็คือมาทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะสามารถปลดเปลื้องความหนัก อ, อกหนักใจความทุกข์ไดนะ้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองธรรมะ ท, ที่พระเจ้าได้ตัดสร้เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยมีจริงๆแล้วใช้ได้จริงๆ แม้ว่าจะผ่านมาถึง 2,600 ปีแล้วณ ว, วันนี้มันก็ยังมีอยู่นะซึ่งตรงนี้ตัวพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องพิสูจน์เหมือนอย่างการามาสตรที่เราได้สวดกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะเจนว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาให้เชื่อโดยที่เราฟังแล้วก็เชื่อแต่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะการที่เรามาใช้ชีวิต7วันนี้ก็คือมาพิสูจน์ ความจริงที่มีคนคนหนึ่งคนพบเมื่อ2 6 0พปีที่แล้วและสามารถที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ในตัวเราในชีวิตทุกๆชีวิตได้เครื่องมือนี้มีอยู่แล้วสูตรนี้มีอยู่แล้วขาดแต่ผู้ที่จะทำและจะพิสูจน์เท่านั้นเองเราเป็นคนหนึ่งละที่จะมาพิสูจน์และตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัส กับความเป็นปกติของใจซึ่งเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนเพียงแต่เราหลงลืมไปเราไปสนใจกับสิ่งภายนอกจนลืมสิ่งภายในของมีค่าที่มีอยู่ในตัวเราเป็นเพชรที่อยู่ในใจที่เราทอดทิ้งไปนา น, นี้ก็อยากจะฝากพวกเร า, เาไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองไม่ใช่วันสุดท้าย นะเริ่มต้นที่จะสร้างนิสยยัยแห่งสติสร้างนิสยยัยแห่งความรู้สึกตัวสิ่งที่เราได้ฝึกไปก็อย่าได้ทอดทิ้งเอาไปพัฒนาต่อเอาไปทำต่อมันก็จะเกิดผลกับตัวเราเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาแล้วก็อยากจะ เ, เป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคน นะที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่นี้นะก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออนุนโมทนาบุญนะเป็นบุญใหญ่นะที่พวกเราได้มาร่วมกันกระทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะก็คือการที่เราได้มาเจริญสตินะก็คือการปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้ตื่นขึ้น เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ในชีวิตประจำวันในชีวิตในการงานให้มีความเจริญก้าวหน้าในการเจริญสตินะแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจำวันโดยทั่วหน้ากันเจริญพอรอาจารย์สมใจนี่ถ้าไม่มีอาจารย์สนใจนะอาจารไม่รู้เรื่องนี้ สมัยก่อนอาจารยส์สนใจเน้นมลหลวงพ่อเขียนไปเชียงไห่ในฐานะที่ปวดคอนสึกมาจากหลวงพ่อเทียน <c oughs> กำลังฟิตจัดพานักศึกษาพาหลายคนให้มาสนใจเรื่องการเจริญสติผมร่างทามาก็เป็นคนหนึ่งะช่วงนั้นช่วงนั้นจะไปเที่ยวรัฐ ด, ดา แ, แลน รู้จักไหมคนเก่าๆเดี๋ยวนิมเจงมาแล้วละพราว่าพะ ร, ะรู้ข่าวไม่มีคนไปนะเวลาพระจะมาพูดเนะี่ยคนจะไปหลอมๆแหลมๆสามคนสี่คนห้าคนอย่างเงี้ยกลุ่มเล็กๆไปก็ไปไพอไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกอะไรได้บางอย่างจากวันนั้นนะนะแล้วมันก็จำไม่ลืมนะวันแรกแล้วันเดียวนะ เราสามารถปิดการขายได้เลยดยีนได้ฟังมันมีอย่างนี้เลยเลยพอเราลงมือทำแปลกดีทำไมมันสบายสบายดีว่าไปเที่ยวอีกก็เลยสนใจมาเรื่อยๆได้ยินหลวงปู่เทียนจากสื่อทุกวันอาทิตย์สิ่งที่ท่านพูดนะท่านทำนะวันไหนซักพ้าเนี่ยจะเปิดลั่นเลยตลอดเลยคนอื่นก็ฟังเพลง นี่ไม่เทพหลวงปู่เทียนมีเป็นปึกเลยเปิดแล้วเปิดอกีกฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังอยู่เสียงท่านอาหารพ์มากแล้วประโยชนบางประโยคมันแปลกดีพระรูปนี้พูดแปลกดีในขณะที่สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีนะระาแดงนะทุกวันอาทิตย์นะพระดังทั่วประเทศจะมาลงอยู่ในนั้นน่ะ ทางก้าวหน้าครั้งที่หนึ่งสลาอ่างแก้วสนใจแต่ท้ายสุดก็คือการฝึกสติมีสเสน่ห mm ์ hmm. ในลงโอเทียนนะไม่ได้เน้นเรื่องการทำบุญทำทานอื่นๆ mm hmm. การจัดฉากไม่มีธรรมชาติดิบๆเลยและที่สำคัญ ก, ก็คือนะพอเรารู้สึกตัวแล้วโอ้มันเห็นป็นบุญจริงๆมหากุศลเกิดตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของตัวเราเลย แล้วก็เรื่องเรียบง่ายที่สุดนะมันก็เลยมีวันนี้ขึน้นมวันนี้เราได้มารวมตัวกันนะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนมาปฏิบัติจริงจริงป่าสุกตอมา ก, ก่อนไม่มีคนบอกเลยกล้าพูดได้เลยไม่มีกุฏิสาลาก็ไม่มีแต่เราเห็นว่าเออเราได้มาใช้เราเกิดประโยชน์อย่างมากกับตัวเราเราก็กรตันยูตตอบอย่างให้คนอื่นนะได้มารู้แล้วคนมากขึ้นเรื่อย แต่เราไม่พัฒนาขึ้นมาน้ำไฟถนนหนทางกุฏิศาลาอาหารการกินไม่สามารถรองรับคนได้เลยอัน mm. นี้เป็นเรื่องที่ต้องหน้าขอบคุณพวกเรา mm. ขอบคุณมากที่มาใช้วัตป่าสุขโตจนตั้งได้เกิดประโยชน์สูงสุด mm. mm. อันนี้คือ ก, การมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโลกธรรมเราอยู่ทางโลกแต่ไม่ได้หมายถึงว่า สามารถที่จะนำธรรมะไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราแต่พอ ว, ว, วิธีการเจระสติเราเรียบง่ายมากทุกครั้งที่รู้สึกเราก็เลยเอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระเอาพระมาอยู่กับร่างกายของเราใช่ไหมวัดอยู่วัดอย่างี้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่สำนวนนะแต่เห็นอย่างนั้นะไปไหนมีตัวเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเลยก็เร่ามีสติสัมัญญะ เรก็เลยว่าเราแอบเกินไหวไว้ด้วยเล็กๆน้อยๆ น, ยนะเจตนาขยับนิ้วบ้างปิกมือไปพปิกมือมาบ้างหรือว่าขณะที่ขยับศีรษะบ้างเล้ยน้อยต่อให้นิดนึงอาจารย์กำพลทองบนนุ่มเดี๋ยนะคนพิการซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้ดูสื่อารรอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลนี่เป็นนักกีฬาเป็นอาจารย์สอนพะละ แต่ท้ายสุอาจารย์สอนาลาเนี่ยสอนกระโดดน้ําแล้วก็กระดูกหักไปเลยศีรษะกระแทกก้นศีระคอหักกระดูกซีห้าเนี่ยแตกบาดเส้นประสาทในไขสันหลังก็เลยเป็นอวาพาพาทันทีทันใดเลยจมน้าอยู่เด็กกระโดดลงไปช่วยขึ้นมานักสาแนะกระโดดลงไปช่วยเอาอาจารย์ขึ้นมาท้ายสุกเป็นไอ้ง่อยทันดีเลยเข็มทิ่มตามตัวก็ไม่เจ็บ รู้ได้แค่ท่อนบนนี่ยแหละท่านสังเกตเอา้าเวลาขนลุกไหมายถึงอะไรเวลาที่มันกระตุกหมายถึงอะไรที่ปวดปัสสาวะอุจจาระมันกระตุกบางทีขมลุกงี้มดกัดบ้างอะไรบ้างงี้ท่านสังเกตอาการจนช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆนะา ก, กบบนะเจ้าพลแล้วไปปฏิบัติธรรมแนวหลงผู้เทียนนะพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายอย่างเงี้ยนะไม่ใช่สิบี่ชั่งบาทนะ บางทีก็ทาจมูกพองๆ พ, พองออกมาแล้วก็หดไปทําปากเคลื่อนไหวกระดิกหูกระดิกหูได้เลยนะอาจารยนะ์กัปพนะแกฝึกพัฒนาภาษาส่วนบนให้ใช้ได้เต็มที่เลยนะยกคิ้วทีละข้างซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวายกคิ้วทีละข้างได้พร้อมกันปลอมกันปลอมกันเงนี้ยใช้เป็นการฝึกสติใจการเคลื่อนไหวบนใบหน้านะ เดือนเดียวอ่าหนังสือมาเจหกปีท่านฝึกเดือนเดียวนะจรนะเต้ได้คำตอบตอนหลังนี้จิตสดใสแม่กายพิการจิตใจก็ผ่องใสสดใสมันมันตรงกันข้ามกับท่าทางกริยาเป็นแอ่งอ้อยนะหน้าตาผ่องใสอย่างมากเลยในขณะที่คนทำงานเป็นผู้อำนวยการ รุ่นเดียวกันที่จบพละเดือนนะเป็นอธิการบ ด, ดีหรือว่ารองอธิบดีกรมพัะฑิศึกษาตําแหน่งสูงนะแต่ว่าหน้าตาผ่องใสสดใสสู้อาจารย์กำพลไม่ได้ตําแหน่งเดียวกันนะอาจารย์กนนะำพลตาแหน่งผู้พิการหลายคนตําแหน่งผู้อำนวยการตําแหน่งเดียวกันใช่ไหมการเหมือนกันใช่ไหมแต่ความสุขไม่เท่ากันนะความสุขไม่เท่ากันนะ นะก็เพื่ให้ฟังเพื่อที่เราจะได้เห็นคุณค่าของการมาฝึกหัดปฏิบัติจนกระทั่งนะวันนี้จะกลับก็นําไปต่อยอดต่อไปอย่าเป็นจบแค่นี้นะสังคมได้สงบเย็นเป็นประโยชน์เพราะเราได้รับก่อนนะเราสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็พอใช้มีสติแล้วก็มีสตางสตางเกิดมาจากการทํางานแล้วสติเกิดมาจากการทํากรรมฐานนะนะอะไรว่าสมควรกันก เ, รเรากลับพาพ้องกัน